บทที่25ห้าเท่าแก่เสงคุณนายดวงสุดาครานตุ้นตาตุ้น ต, ตุ้ยเข้ามาหาท่านพระครูตามด้วยเท่าแก่เสงและคุณกิมง้อผู้เป็นบิดาและมารดาคนทั้งสามก้มลงกราบท่านสามครั้งแล้วหันไปกราบพระโบเยว ซึ่งน่งพระเพียบอยู่บนพื้นทางเบื้องขวาของพระอุปชาผมเห็นจะต้องกลับกุติแล้วครับเพราะหลวงพ่อมีแขกพระหนุ่มออกตัวใจนั้นอยากจะอยู่ฟังเขาคุยกันหากก็เกรงจะเสียมารยาทอยู่ก่อนก็ได้นีนาจะรีบไปไหนละ่ะเจ้าของกุติพูดอย่างรู้ใจหันไปถามอาคันตุกะว่าคงไม่ใช่เรื่องลับใช่ไหม พระโวเฮียร์ของร่วมฟังได้นะไม่รับค่ะหลวงพ่อหนูอยากให้มีคนฟังเยอะๆด้วยซ้ําจะได้ช่วยกันเป็นพยานคุณนายดวงสุดาตอบงั้นหรือแล้วจะให้เกณฑ์คนมาหมดวัดเลยไม้มคุณนายจะเอาอย่างนั้นไหมท่านยิ้มยิ้มไม่ถึงต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะหลวงพ่อประเดีนลูกเขินก็เลยเล่าไม่ออกกันพอดี คนน้ำหนักเกินพิกัดตอบอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เล่าได้เลยรู้สึกพระโบเฮียวอยากฟังจนเนื้อเต้นแล้วละมังท่านเย้วลูกสิท์หลวงพ่อนั่นแหละเนื้อเต้นอย่ามาทำเป็นโทษผมหน่อยเลยนาสิทย์แอบเถียงในใจเตี๋ยวเล่าดีกว่านะคนจะเล่าเปลี่ยนใจกระทันหันจึงโยนกรองไปที่บิดา ลือเล่านั่นแหละดีแล้วก็ลือเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่หรือ้ท่าแก่เสง่ให้เหตุผลตั้งแต่ปฏิบัติกรรมฐานเขาพูดไทยชัดขึ้นเพราะสติบอกว่าเมื่อเป็นคนไทยก็ต้องพูดภาษาไทยจะได้ไม่อายคุณกิมงาอนั่นสิแม่ก็เห็นด้วยกับเตียลูกเล่านั่นแหละดีแล้วมารดาเสริม แม่แล้วก็เข้าข้างเตียอยู่เรื่อยลูกสาวพอเรื่องที่จะเล่านี่ยาวไหมถ้าเป็นเรื่องยาวอาตมาขอแนะนำว่าน่าจะเริ่มได้แล้วจะได้ไม่ต้องรอไปฟังต่อในวันพรุ่งนี้อาตมาเป็นคนใจร้อนนะโยมพระบวัวเหี่ยวพูดขึ้นท่านคิดอยู่นานว่าจะพูดดีหรือไม่แต่ในที่สุด ก็ตัดสินใจได้แม่หลวงพี่พูดอย่างนี้ดิฉันก็เห็นจะต้องเล่าแล้วล่ะค่ะคุณนายดวงสุดาพูดกับพระโบเหียวเรียกท่านว่าหลวงพี่อย่างไม่เต็มใจนักไม่เต็มใจด้วยเหตุว่าท่านอายุอ่อนกว่าที่ถูกน่าจะเป็นหลวงน้องรอนไม่เข้าใจคำว่าเหตุใดเขาจึงไม่เรียกพระอายุน้อยกว่าว่าหลวงน้อง คงไม่ต้องออกแขกแบบลิเกนะท่านพระครูยาวบ้างไม่ต้องค่ะเปี๋ยวเล่าดีกว่านาหลอนหันไปเกี่ยงงอนบิดาอีกครั้งหรือนั่นแหละอย่ามัวทำอิดอิดอดอดหน้ารำคาญเกรงใจหลวงพ่อท่านเวลาของท่านเป็นเงินเป็นทองนะเท่าแก่เสียงดุลูกสาวการปฏิบัติกรรมฐานทําให้เกิดปัญญา เมื่อปัญญาเกิดเขาจึงรู้ว่าคนเป็นพ่อไม่ควรกลัวลูกจึงกล้าดุหล่อนแทนที่จะเป็นฝ่ายถูกหล่อนดุเช่นแต่ก่อนเมื่อถูกดุคนเป็นลูกสาวชักกลัวจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องมันแปลกมากค่ะหลวงพ่อใครๆก็คงไม่มีใครเชื่อ ว่าเตียกับแม่ถูกโจยิงด้วยเอ็มสิแต่ไม่ยักกับเป็นอะไรหนูเห็นกับตาเลยนะคะคนเห็นเหตุการ์เล่าจอดจอดตอนที่ถูกยิงโยมกำลังทำอะไรอยู่หรือท่านถามบุคคลทั้งสองกำลังนั่งสมาธิครับผมขับคุณกิมเงอสัญญากันว่าจะเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงตอนโจนยิงมันไม่ครบชั่วโมง ผมก็เลยยังไม่ได้ลุกขึ้นแล้วก็ไม่ลืมตาด้วยถ้าแก่เสียงเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาสามเดือนที่แล้วทว่าในความรู้สึกของเขาดูเหมือนเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองแล้วรู้ตัวหรือเปล่าว่าโจรมาท่านพระครูซักรู้ครับหลวงพ่อผมรู้ตัวตลอดเวลาคุณกิมเงาก็รู้ แล้วกลัวไหมกลัวตายหรือเปล่าไม่กลัวค่ะตอนอยู่ในสมาธิไม่กลัวแต่ตอนนี้กลัวค่ะคุณกินง้อตอบด้วยท่าทางที่ยังไม่หายหวาดเสียวและคุณนายอยู่ที่ไหนล่ะตอนนั้นน่ะตอนที่โจรมาปล้นน่ะท่านพระครูถามคุณนายดวงสุดานู้หรือคะอารานตกใจมุดเข้าไปแอบใต้ต่างเละค่ะ ไม่ทราบว่าเขาไปได้ยังไงตัวหนูออกใหญ่ต่างก็เตี้ยนิดเดียวถ้าเวลาปกติเยียวว่าแต่จะเข้าไปทั้งตัวอย่างนั้นเลยแค่ขาข้างเดียวก็ยังเข้าไม่ได้คุณนายดวงสุดาเล่าพระโบเฮียวพิจารณาขาของคุณนายซึ่งมีขนาดไล่เลี่ย ก, กับตอมอยุง้งแล้วก็เห็นด้วยกับที่หล่อนพูดหากก็อดถามขึ้นไม่ได้ว่า ต่างพี่โยมว่าหนะสูงขนาดไหนเท่าอาสนะหลวงพ่อหรือเปล่าคนถูกถามมองไปที่อาสนะตรงหน้าและตอบคงจะพอๆกันถ้าสูงกว่าก็คงไม่เกินสองนิ้วไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าคนเจ้าเนื้ออย่างดิฉันจะเข้าไปซ่อนใต้ต่างนั้นได้หลวงพี่เชื่อหรือเปล่าหล่อนถามหลวงพี่ ถ้าจะให้อัตมาเชื่อก็ต้องลองเข้าไปอีกทีคุณนายจะยอมลองดูไหมละ่ะพระหนุ่มถือโอกาสต่อรองไม่ต้องหลอกบัวเยี่ยวถึงเธอจะไม่เชื่อแต่ฉันเชื่อฉันเชื่อว่าเป็นไปได้เธอเคยได้ยินไหมละ่ะที่เขาว่าคนแบกตุ่มแบกตู้เย็นวิ่งหนีไฟเพราะความตกใจพอหายตกใจกลับแบกไม่ไว้ อันนี้มันเป็นเรื่องของพลังจิตนะคนเราไม่รู้ตัวหรอกว่าจิตนั้นมีพลังมากเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวคนที่ฝึกจิตสม่ำเสมอสามารถเอาพลังจิตออกมาใช้ได้แต่คนที่ไม่เคยฝึกก็ใช้ไม่เป็นคือนยามปกติใช้ไม่เป็นเว้นแต่ยามตกใจอาจเอามาใช้ได้บ้างโดยที่จะตัวไม่รู้ เป็นการใช้พลังจิตโดยไม่มีสติควบคุมก็ได้แค่ประเดียวประดาวพอรู้สึกตัวก็เอามาใช้ไม่ได้เสียแล้วท่านพระครูอธิบายแล้วแบบนี้ดีไหมครับหลวงพ่อพระโวเฮียวถามแบบไหนละ่ะพระอุปชาไม่เข้าใจคำถามคือพลังจิตนะครับเป็นของดีหรือไม่ดีมันก็ตอบยากนะ จะว่าไปแล้วมันก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ดีก็ดีไปแต่ถ้าใช้ไม่ดีก็จะเป็นโทษได้เหมือนกันท่านรู้ว่าคนฟังยังไม่มีใครเข้าใจจึงอธิบายเพิ่มเติมว่าตัวอย่างเช่นคนที่นำพลังจิตไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายคือมรรคผลนิพพานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้านำไปใช้ในทางผิด เช่นอยากอวดริษหรือว่าอวดอุตริมนุสธรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีเพราะเป็นไปเผื่อเพิ่มกิเลสไม่ได้เป็นไปเพื่อลดละกิเลสสรุปก็คือที่หนูเข้าไปแอบอยู่ในตังได้ก็เพราะอํานาจพลังจิตใช่ไหมคะหลวงพอ่อคุณนายดวงสุดาถามถูกแล้วคุณนายแม่คุณนายจะไม่เคยฝึกจิตแต่ก็สามารถใช้พลังจิตได้ เป็นการใช้แบบไม่รู้ตัวควบคุมไม่ได้แต่ถ้าใช้แบบควบคุมได้ก็ต้องมาฝึกจิตการเหตุเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่โยมเตียกับโยมแม่ของคุณนายฝึกอยู่นั่นแหละถ้าอย่างนั้นที่โจรมันใช้เอ็มยิงผมแต่ยิงไม่ออกก็เพราะอำนาจพลังจิตใช่ไหมครับหลวงพ่อเท่าแกเสียงถามการปฏิบัติกรรมฐานทุกวัน ทำให้เขาใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งจะพูดอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่อัตมาคิดว่าการที่ปืนยิงไม่ออกนั่นเป็นเพราะอณิสงของการมีสัจจะของโยมทั้งสองประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็เป็นอำนาจของสมาธิหรือพลังจิตนั่นเองในคุณนายลองเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบสิอัตมาจะได้อัดเทปไว้ เพื่อจะไปเปิดให้คนอื่นฟังท่านหันไปเรียกนายสมชายให้นำเครื่องบันทึกเสียงและม้วนเทปมาให้พร้อมแล้วคุณนายดวงสุดาจึงเริ่มต้นเล่าวันนั้นหนูนั่งแท็กซี่มาหาเตี่ยกับแม่ที่บ้านก็ขึ้นไปชั้นบนเห็นกำลังนั่งสมาธิอยู่ หนูเลยเดินไปที่โต๊ะอาหารหยิบน่องไก่ขึ้นมากินพอดีได้ยินเสียงเอะอะอยู่ข้างล่างจึงชะงโงกไปดูตรงบันไดก็เห็นคนร้ายสี่คนหรือห้าคนกำลังช่วยกันจับคนทั้งสองมัดมือมัดปากหนูตกใจวิ่งมาหาเตี่ยกับแม่บอกโจปรปล้นโจนปรปล้นเขาก็ไม่ยอมลืมตาเสียงพวกมันเดินขึ้นมาหนูก็เลยวิ่งไปที่ห้องน้าตั้งใจจะไปซ่อนตัว ในนั้นเสร็จแล้วก็เกิดเปลี่ยนใจกระทันหันคลานลูกลี้ลูกลนเข้าไปใต้ต่างแทนขอประธานโทษนะคะหลวงพ่อน่องไก่น่องนั้นยังอยู่ในปากต้องถือว่าโชคดีเชียวค่ะเพราะมันทำให้หนูร้องไม่ออกคืนไม่มีน่องไก่คงร้องให้คนช่วยแล้วก็ถูกโจยิงตายไปแล้วพอมันขึ้นมามันก็เดินไปที่เตี๋ยก่อนเขย่าตัวเตียแล้วบอกตะแปะ๊ะตะแปะ๊ะตื่นตืน นี่คือการปร้นเตียก็ไม่ยอมลืมตามันก็หันไปเขย่าแม่บอกสิ้นตื่นตือนนิ่อ้วมาปร้นแม่ก็นั่งเฉยอีกเสียงพวกมันบอกยิงเลยเฮียยิงเลยเฮียนูจะเป็นลมเสียให้ได้ครั้นจะร้องบอกเตียกับแม่ก็ร้องไม่ออกเพราะน่องไก่คาปากอยู่มันเอาปืนจ่อที่ศีรษะเตียแล้วลัน่นไกเสียงดังแชะ แต่กระสุนไม่พุ่งออกมามันก็หันไปยิงแม่บ้างก็เป็นแบบเดียวกันอีกในที่สุดพวกมันก็เลยช่วยกันเก็บข้าวของมีทีวีวิทยุสเตอริโอและพวกเครื่องลายคลามเอาไปข้างล่างคงจะไปใส่รถหนูจับตาดูมันอยู่เก็บของเสร็จพวกมันก็พากันลงไปหนูหายตกใจก็เอามือจับน้องไก่ออกจากปาก แต่ไม่สามารถครานออกมาจากใต้ตังได้ก็นอนอึดอัดอยู่อย่างนั้นสักยี่สิบนาทีเห็นจะได้แล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาพ่หนูเห็นเป็นตำรวจหนูดีใจมากเลยตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเขาก็มองมาหาที่มาของเสียงหนูก็บอกอยู่ใต้ตังอยู่ใต้ตังตำรวจสองคนก็มาช่วยกันยกตังขึ้นแต่ยกไม่ไหว ต้องใช้ถึงสี่คนหนูก็ออกมาได้ผู้ร้ายห้าคนถูกใส่กุญแจมือเรียบร้อยคนเล่าหยุดหายใจแรงๆสองสามครั้งเรากับว่าตอนที่เล่านั้นน่ะลืมหายใจท่านพรักครูจึงถามพิดาของหล่อนว่าตอนตำรวจมาโยมรู้หรือเปล่ารู้ครับหลวงพ่อผมรู้ตลอดเวลาตำรวจเข้ามาเขย่าตัวผม บอกเท่าแก่ตื่นเถอะคุณถูกปร้นรู้ไหมผมตอบว่ารู้รู้เขาก็ว่ารู้แล้วลืมตาเสียทีผมบอกว่ายังไม่ถึงเวลายังลืมไม่ได้จากนั้นผมก็ไม่พูดอะไรอีกค่ะตลกหน้าดูเลยพ่อเตียนั่งนิ่งทั้งตำรวจและคนร้ายก็เลยต้องนั่งรอครู่ใหญ่หญเสียงนาฬิกาปกุกดังกล้องขึ้น เตียกับแม่ก็ขยับตัวเปลี่ยนท่าจากนั่งสมาธิมาเป็นนั่งพับเพียบประนมมือกล่าวคำแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและคุณนายแผ่เมตตาเป็นหรือเปล่าอุทิศส่วนกุศลเป็นไหมละ่ะท่านถือโอกาสสอบถามความรู้คุณนายดวงสุดาเป็นค่ะหนูสวดมนต์ทุกคืนสวดเสร็จก็แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลหลวงพ่อจะฟังไหมคะ หนูจะว่าให้ฟังดีเหมือนกันว่าเป็นบาลีนะไม่ต้องแปลเพราะถ้าได้บาลีก็แปลได้จริงไหมจริงค่ะแต่หนูว่าจริงครึ่งเดียวเพราะบางคนว่าบาลีได้แต่แปลไม่ได้เช่นหนูเป็นต้นลอนยกตัวเองเป็นตัวอย่างสำหรับผมผมว่าจริงไม่ถึงครึ่งครับหลวงพ่อพระบัวเหวี่ยวเอ่อยบ้าง เพราะคนส่วนใหญ่เขาจะสวดมนต์เป็นแต่แปลไม่เป็นไม่รู้ว่าที่ตัวสวด น, นั้นมีความหมายว่าอย่างไรแม้แต่พระก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเช่นพระบัวเหียวเป็นต้นพระหนุ่มหารู้ไม่ว่าแบดไตให้พระอุปชารู้เข้าแล้วโบราณท่านสอนไว้ว่าพูดไปสองไผ่เบีย นิ่งเสียตำลึงทองบัวเหียวเอ้ยถ้าเธอไม่พูดฉันก็ยังไม่รู้ว่าเธอน่ะอ่อนซ้อมเอามากมากเห็นจะต้องให้พระมหาบุญช่วยกวดขันเธอให้หนักกว่านี้วันข้างหน้าไปเป็นครูบาอาจารย์เขาจะได้มีเสียชื่อท่านหันไปถามบิดาของคุณดวงสุดาว่า โยมเห็นด้วยกับอาตมาไม่ว่าคนรู้จริงนั้นหายากส่วนคนรู้มากหาง่ายสมัยนี้คนรู้มากมีแยะแต่ที่รู้จริงไม่ค่อยมีเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับนอกจากนี้ยังมีอีกประเภทหนึง่งที่ยุ่งรู้มากก็ยิ่งเอาเปรียบเอาเปรียบคนอื่นมากสังคมก็เลยยุ่งเหิงเพราะคนอารัดเอาเปรียบกันมากเท่าแก่เสงแสดงความคิดเห็น นั่นน่ะสินะคนก็เลยพากันเป็นโรคประสาทมากพวกจิตแพทย์ก็เลยมีงานทำมากต่นพระครูเสริมพระโเวเหว่กำลังวิงเวียนกับคำว่ามากข่อ ย, อยังชั่วขึ้นเมื่อคุณนายดวงสุดาพูดโดยไม่มีมากหนูว่าจิตแพทย์เองก็เป็นโรคประสาทนะคะหลวงพ่อหนูเห็นมาหลายคนแล้วท่าทางไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไร คงเป็นเพราะต้องคลุกคลีกับคนไข่มากเลยติดเป็นอย่างนั้นไหมคะหลวงพ่อคุณกินง้อถามอุสาหมีคาว่ามากอีกจนได้มันก็เป็นไปได้นะโยมอาตมาสังเกตว่ายิงโรคเจริญมากขึ้นเท่าไรคนก็ยิงเป็นโรคประสาทมากขึ้นเท่านั้นคนเป็นโรคประสาทเนี่ย ต้องให้มาเข้ากรรมฐานใช่ไหมค่ะหลวงพอ่อฐานอย่างคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้เพราะคนที่เป็นน้อยก็จะเป็นมากส่วนคนที่เป็นมากก็จะบ้าชนิดกูไม่กลับทีเดียวคนเป็นโรคประสาทห้ามเข้ากรรมฐานเด็ดขาดอันนี้มีพุทธพจน์รับรองไว้ชัดเจนถ้าจะไม่ผิดก็ดูเหมือนจะอยู่ในคัมภีร์เล่มที่สิบสี่ ที่พระพุทธองค์ตรัสกับสาวกว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอนาปานสติแก่คนที่มีสติเลอะเลือนไร้สัมปชัญญาเคยมีตัวอย่างนยโยมที่วัดนี้แหละดูเหมือนอัตมาจะเคยเล่าให้พระบวเยียวฟังแล้วเรื่องที่อาจารย์มหาวิทยาลัยแกเป็นโรคประสาทพวกญาติญาติพามาเข้ากรรมฐานที่นี่ ปฏิบัติสองวันแรกก็ยังไม่มีอาการพอวันที่สามลุกขึ้นรำป้อเลยเขาก็ไปตามอาตมามาดูรำสวยเสีย ด, ด้วยใครๆห้ามก็ไม่หยุดฉะนั้นโยมจงไว้เลยว่าคนเป็นโรคประสาทยอย่าพามาเข่ากรรมฐานต้องพาไปรักษาให้หายก่อนหายแล้วก็ต้องรออยู่อีกสองหรือสามปีหายใหม่ๆอย่าพามา เพราะว่าโรคอาจกำเริบอีกได้เคยมีตัวอย่างมาหลายลายแล้วหลวงพ่อครับหลวงพ่อจะขัดข้องไหมครับถ้าผมจะกราบเรียนว่าผมอยากฟังเรื่องปล้นต่อกำลังสนุกเลยครับพระบัวเหียวพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุด ฉันน่าไม่ขัดข้องหรอกแต่คนเล่าเขาจะเล่าต่อหรือเปล่าข้อนี้ฉันไม่รู้ต่อสิคะต้องเล่าต่อเอเมื่อกี้ถึงไหนแล้วคะแม่หลอนหันไปถามมารดาตอนเตี๋ยกับแม่กราวอุทิศส่วนกุศลแล้วก็แผ่เมตตาจะแล้วหลวงพ่อท่านให้หนูว่าให้ฟังคุณกินน้อทวนความจำให้บุตรสาว งั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาหนูว่าให้ฟังย่อๆนะคะคําแผ่เมตตาแบบสั้นๆว่าสัพเพสัตตาอเวราอัพยาปชะอานิคาสุขีอัตนางปริหารันตุคําอุทิศส่วนกุศล ข, ขึ้นต้นว่าอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตาโรและถ้าแผ่เมตตาให้ตัวเองขึ้นต้นว่าอย่างไร ท่านพระครูถามอีกอาหังสุขิโตโหมิค่ะตอบชะฉชานเกง่งเก่งอาตมาเชื่อแล้วเอาละทีนี้ก็เล่าเรื่องปรนต่อได้ค่ะพ่อเตียกับแม่เสร็จธุระตำรวจก็สอบปากคำสอบหนูด้วยหนูก็เล่าไปตามที่เห็นตำรวจเขาบอกว่าเห็นรถกระบะขับสวนทางมาก็นึกเอกใจจึงถามว่า จะเอาไปไหนคนร้ายมีพิรุษหลายอย่างและก็ตอบคำถามไม่ตรงกันในที่สุดก็สารภาพว่าปล้นเข้ามาจึงถูกพามายัางบ้านที่เกิดเหตุตอนนั้นเวลาสักเท่าไรเป็นกลางวันหรือกลางคืนเย็นๆครับเท่าแก่เสียงตอบทุกวันตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นผมกับคุณกิมนอะจะปฏิบัติกรรมาฐานกันโดยเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งอีกหนึ่งชั่วโมง ดีจริงอาตมาขออนุโมทนาเห็นไหมอำนาจของบุญบารมีทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีถึงคราวเสียของก็ไม่ต้องเสียมีนาะมีตัวอย่างแบบเดียวกันเนี้ยสองผัวเมียเป็นชาวบ้านบางระจันมาเข้ากรรมาฐานที่วัดนี้กลับไปปฏิบัติทุกคืนคืนหนึ่งกำลังเดินจงกรมกันอยู่ขโมยมันจะมาลักควาย ตอนไปจนหมดคอกให้พักพวกมันคุมไปเหลือคนหนึ่งไว้ดูต้นทางเจ้าหมอนั่นบังเอิญมองขึ้นไปบนเรือนเห็นคนเดินไปมาอยู่สองคนปากก็ว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเดินกันมืดมดอย่างนั้นแหละเจ้าขโมยมันเกาะขำนึกว่าเจ้าของบ้านละเมอไม่รู้ขำอีท่าไหนเลยถอยหลังไปเหยียบสุนัขที่กาลังหลับอยู่ สุนัข ก, ก็ตื่นเห่าเสียงดังขึ้นชาวบ้านแถวนั้นก็เลยลุกมาดูจับขโมยได้แล้วก็พากันจุดคบใต้ไปตามควายมาใส่คอกไว้อย่างเดิมผู้ใหญ่บ้านก็คุมตัวขโมยไว้จับได้คนเดียวคือคนที่ดูต้นทางนอกนั้นก็วิ่งไปได้ก็พากันมานั่งรอจนสองผัวเมียนั่งสมาธิเสร็จจึงเล่าเรื่องให้ฟังเขาก็บอก เขารู้ตั้งแต่ตอนขโมยมันตอนควายออกไปแล้วแต่เขารักษาสัจจะบอกว่าจะเดินให้ได้หนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงก็ต้องให้ได้ควายมันจะหายก็ช่างนี่เขาก็มานั่งเล่าให้อัตมาฟังตรงนี้ท่านชี้ที่คุณนายดวงสุดานั่งมาทั้งผัวทั้งเมียเลยบ้านอยู่ที่อำเภอบางระจานนันนนท์ ท่านพระครูเล่าเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันให้คนทั้งสามฟังพระบัวเหียวฟังเป็นรอบที่สองเพราะตอนสองผัวเมียมาเล่านั้นท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วยแต่กรณีของเท่าแก่จับโจรได้หมดใช่ไหมพระหนุ่มถามบุรุษวัยเจ็ดสิบเศษหมดครับผู้ร้ายกับตำรวจมีจำนวนเท่ากันพอดีผู้ร้ายห้าตำรวจห้า เป็นตำรวจสายตรวจกำลังขับรถจักรฆ่ามาตรวจความสงบเรียบร้อยในซอยนั้นก็ น, นับว่าเป็นโชคดีมากผู้ร้ายถูกดำเนินคดีติดคุกกี่ปีละ่ะพระบวัวเหวียวถามอีกไม่ถูกครับถูกขังไว้เกือบสามเดือนผมไม่ยอมไปให้การอ้างว่าจำหน้าคนร้ายไม่ได้ความจริงผมจำได้ครับหลวงพ่อแต่ผมจําเป็นต้องพูดปดเพื่อ จะได้ไม่ก่อเวรคือเจ้าคนที่มาปล้นนั่นเป็นลูกหนี้ผมเองมายืมเงินไปหลายหมื่นแล้วก็ไม่ใช้ผมก็ขู ว, ว่าจะดำเนินคดีเขาคงแค้นก็เลยพาพวกมาปล้นผมและที่ใช้เอ็มสิหกยิงผมคงอยากจะให้ตายเพื่อล้างหนี้เป็นบุญของผมที่มาเข้ากรรมาฐานซิก่อนไม่อย่างนั้นคงสิ้นชื่อไปแล้ว ผมก็ใช้สติพิจารณาว่าถ้าผมเอาเข้าเข้าคุกวันหนึ่งเขาก็ต้องออกมาแก้แค้นผมก็จะเป็นการก่อเวรกันไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อรั ง, งับเวรเสี้ยค่างหนึ่งผมจึงจำใจต้องโกหกว่าจำหน้าผู้ต้องหาไม่ได้ตำรวจเข้าขังไว้ไม่ถึงสามเดือนก็ปล่อยช่วงนั้นผมกับคุณกิมง้ อ, อ ก, ก็แผ่เมตตาให้เขาทุกวันหลวงพ่อเชื่อไหมครับ อนิสงของการแผ่เมตตานี่อัศจรรย์มากเมื่อวานนี้เองเขาพากันมาหาผมที่บ้านเอาทูบแพ่เทียนแพ่ใส่พานมาให้ผมบอกว่าขอโทษและขอบคุณที่ผมไม่เอาเรื่องเขารู้ว่าผมจำเขาได้ขอเข้ามาเสร็จก็บอกว่าจะผ่อนใช้หนี้คืนจะไม่โกงแม้แต่สตางแดงเดียวผมตื้นตันจนน้ำตาไหล คุณกิมง้อเองก็ร้องไห้ผมเอาหสิให้เขาและบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินมีก็เอามาใช้ไม่มีผมก็ยกให้ขออย่างเดียวให้เขาหากินอย่างสุดจริตผมอยากมาหาหลวงพ่อมากจึงให้ลูกสาวพามาเพื่อกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ให้วิชาวิเศษแก่ผมเขาก้มลงกราบท่านพระครูสามครั้งด้วยความซาบซึง้ง และเต้นตันจนน้ำตาไหลเป็นทางตามร่องแก้มคุณกิมง้อทาตามผู้เป็นสามีทว่าม่ได้ร้องไห้